เมื่อเช้าถ้าใครมาทาวัดเซิบ น, นก็จะได้ยินได้ฟังหลวงพ่อเขียนท่านเทศก็จะมีประเด็นอยู่ในรเรื่องของการใช้ชีวิตในวัดป่าสุกโตนี่ด้วยยันช่วงนี้หน้าแรงใบไม้เราก็จะปล่อยให้มันเป็นปุ๋ยนะ ใบที่มันร่วงหล่นให้มันได้มีโอกาศย่อยสลายเป็นปุ๋ยกลับคืนไปเลี้ยงต้นของเขาที่จริงมันมีประโยชน์หลายอย่างธรรมชาติมันบอกถึงว่าหน้าฝนนี่ก็จะเจริญเติบโตบข้างบนขึ้นไปแตกยอดแตกใบหน้าแลงเนี่ยรากเขาจะยั่งลงลึกใช้ลงดินที่มากที่สุดเรียกว่าถ้าเป็นต้นไม้ ที่จะไปก็เติบโตเองนะจ๊ะสังเกตได้ว่ารากก็จะย่างลงลึกลำต้นก็จะใหญ่ขึ้นแล้ว เ, เดี๋ยวจะแตกไปอ่อนขึ้นไปสังเกตว่าต้นใหญ่คือก็จะปลีต้นเปลือยนี่จะลอกเปลือกออกมาชื่อต้นเปลือยเปลือกจะลอกมาก็น่าหนิล่ะเดี๋ยวพอขึ้นหน้าฝนก็จะเจริญเติบโตโดดน้ํา เอาใบซึ่งเราเห็นได้ว่ามันจะแตกดกมากแล้วใบโตหนาเขียวแต่พอหน้าแรงอา่ชาชัยลงดินมันข้างบนข้างล่างข้างนอกข้างในอ่ะนะอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับธรรมะเหมือนกันเวลาเรื่องของสังคมเศรษฐกิจการเมืองต่างๆมีปัญหาขึ้นมามันก็เป็นเหมือนกับ ว, ว่าอหยุติด้านนอกก่อน ร่ลมละลายหรือว่าการเงินการทองมันสะดุดอันานันหยุดมาเรื่องของจิตใจก่อนมาล่างกายของเรามันเจ็บป่วยเหมือนกันรูปธรรมมาหาด้านในก่อนคือจิตใจของเราในเรื่องความรู้สึกตัวมันเป็นนามธรมรมทำเป็นเรื่องด้านในจริงๆรงิการจเจริญเติบโตด้านในก็ต้องให้ข้างนอกเราเห็นว่ามันมีสภาวะที่เราไม่ได้ไปเรียกว่าขนไกวเรื่องประตูนิยม เป็นเรื่องของจิตใจทีนี้จิตใจมันเป็นนรมธรรมที่มันจะเห็นตรงๆโดยที่เราอยู่ๆเฝ้าดูมันไปตามรูม้มันมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่่าเราใช้วัตถุรูปธรรมร่างกายของเราในบารูปแบบปฏิบัติการนั่งสร้างจังหวะโดยตรงกลมหรือธีการตือนอื่นๆที่เราถนัดนะเราฝึกล้วก็รู้สึกว่ามัน ทำเอาความเข้ า, าใจหรือว่าได้สัมผัสสภาวะเห็นว่านะเออมันก็เป็นความสะดวกในการเดินทางด้านในของเราด้านนอกเราก็เรียกว่าสำรวมเอาไว้ส่วนหนึ่งด้วยทำหล่นในการบางทีออกจากเรือไม่เกี่ยวข้องในเรือนแล้วมาใช้เครื่องแบบนักบวชทีิมาวานจะสนใจบอกถึงประเทศจีนการไม่จับเงินจับทองเลย เพื่อให้ไม่ต้องไปซื้อคนวายเรื่องวัตถุนิยมไปนอกจะได้มาสนใจเรื่องในกูฏเก่ากันจริงอันนี้ก็เรียกว่าสำรวมไม่ต้องใช้ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจของเราเป็นเรื่องของวัตถุกรรมคุณใช้สิ่ง227ข้อหรือว่าความเป็นปกติในการใช้ชีวิตใ น, ในชุมชนศิ่ง5สิ่ง8สิลง10สิ่ง227หรือ327ข้อ เพื่อการขรูดเกา่าข้างนอกไม่มีเราเด้เห็นข้างในเห็นด้ว่าความคิดอารมณ์ต่างๆจริตนิสัยอุปนิสัยมันจะแสดงออกมาให้เราได้กรูดเกา่าเมื่อมีการสํารวมแล้วข้างนอกไม่เข้าข้างในเราบิดออกอย่างเดียวเลยอะไรที่มปลากขึ้นมาเป็นอารมณ์มันที่ไม่ผ่านเราผ่านในความรู้สึกตัวใจวิญากรรมฐาน เห็นกายตามความเป็นเห็นเห็นจิตใจตามความเป็นจริงอะไรปรากฏขึ้นมาเลยก็ความรู้สึกที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันเป็นลักษณะของการเอาน้ําดีไปไล่น้ําเสียน้ําดีมาเทไหลน้ําเสียมก็ไม่ให้เป็นเรื่องของปฏิกิริยาทําให้เป็นพิษเป็นภัยมีน้ําหนักทําให้เราทุกข์แท้มันก็จะคิดอยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่าเรู้สึกตัวมันมากมันก็กลับมาเป็นปกติได้ไว้ ทีนี้พอเราวิทออกวิออกวิทออกออ ก, ออก็โดยการใช้ลนะของภาวนาจริจสติปัฏฐานวิธีการใดวิธีการหนึ่งสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าวิปัสสนากรรมฐานกันวิทยจริงๆภาวะของผู้ดูนะที่มันเห็นอาการต่างๆความคิดอารมณ์ท่มปรากฏอยู่ด้านในเราสัมผัสได้มันปกติหรือไม่ปกติ มันสุขมันทุกข์ก็คือไม่ปกติมันปกติมันก็เป็นปกติว่างๆวางๆมันอยู่ตรงนั้นเลยมเมืเจ้าหลวงปอพูดถึงจุดนี้ด้วยคือมันปล่อยวางต้องรู้จักการปล่อยวางนี้งแล้วก็สะดวกการใช้ชีวิตแต่ว่าจะปล่อยวางได้ก็ต้องเรียกว่ารู้สึกตัวให้เป็นสร้างสติให้ถูกต้องเราเกิดลักษณะของปฏิยาที่เราได้สัมผัสว่าเวลามันผ่านมันผ่านยังไงแต่ละอารมณ์แต่ละอารมณ์ ตรงนีจะได้ที่พึ่งขึ้นมาเมื่อเราภาวนาเป็นเราก็ต้องเรียกว่ารักษาไอสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นมาเช่นกุศลที่มันลังปรากฏขึ้นมาความฉลาดทันปรากฏขึ้นมาเนื่องจากเราใช้ความรู้สึกตัวเป็นเครื่องไม้เครื่องมือทุกครั้งที่การเคลื่อนการไหวนั่งเดินเย็นนอนในรูปแบบนอกรูปแบบมันมีสติแล้วรู้รู้เท่ารู้ทัน มันเห็นอารมณ์มเห็นกายเวลาจิตทำเห็นสภาพทำต่างๆอันนี้เราก็รักษาหรือว่าไม่หมดเนื้อหมดตัวเช่นไม่เผลอไปพูดไปคุยหรือว่าไปทําอย่างอื่นการงานต่างๆโดยใช้ความคิดมากถึงมันจะดีแมันใช้ความคิดเยอะเยราก็ต้องระมัดระวังบางาทีมันคิดมันทำงานมันมันอร่อยเพราะว่าตอนที่เราอยู่ทางโลกทํางานไม่ได้อย่างที่เราต้องการ บางที่เราไม่ได้โอกาสที่จะทํางานอย่างที่เราต้องการแต่อยู่ในที่นี้มันอิสระการคิดจะทําอะไรมันก็ง่ายแล้วก็มีหลายอย่างที่สนับสนุนอยู่วัสดุอุปกรณ์ต่างๆมากมายแล้วเกินนอ่งกลับมาหาการเคลื่อนการไหวเอากลายเป็นวัสดุเป็นอุปกรณ์อย่างเง้ยนะหรือว่างานการที่มันมีอยู่เราไม่ต้องใช้ความคิดนะมันมีอยู่เกี่ยวกับจําบันขวาดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ว่าหลวงพ่อก็ติงไว้นะว่าขวาดใบไม้ก็ต้องมีปัญญา ที่ทําทางเดินจชมคมมาก็เหตุ น, นี้แหละก็คือบางทีเราก็ใช้การเดินแบบเดินตามความคิดเดินตามอารมณ์มันก็จะไม่ได้เดินเป็นที่เป็นทางไปตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างตรงโน้นบ้างมันก็เลยเหยียบดินแข็งแน่นไปหมดนอันนี้มันจะเกิดโทษขึ้นมาอย่างเช่นป่ายางนี่สร้างขึ้นมาทีแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะสร้างป่ายางกันหรอกมันเป็นป่ามะม่วงเก่า อยู่บริเวณนี้แหละที่เราสร้างหอไต่เนี่ยแหละที น, นี้ไฟมันไหม้ครั้งใหญ่ขึ้นมาประมาณเดือนเมษายนมีนาเมษาไฟมันไหม้ปีนั้นไม่200ไปสองร้อยฝ่าเล่ยละเสร็จแล้วมันก็เกิดความคิดขึ้นมาจะปล่อยให้ยาคาขึ้นแล้วก็ต้นมะม่วงดำๆมันก็ดูไม่ดีไม่งามก็เปลี่ยนแล้วแนวของอากุศลเป็นกุศลขึ้นมาก็ไถที่ปลูกป่ากันตัดเส้นทางใหม่ทั้งหมด เดิมก็ไม่มีเส้นทางหน้าหอไตนี่ก็ไม่มีรั้วข้างๆหน้ากุดหลวงพก่กรมนาลานหินโกงทะลุ ด, ดงไผ่ก็ไม่มีมันจะมีอยู่เส้นข้างๆเนี่ยเป็นเส้นรถลากไม้สมัยเก่าที่คนกเขามวมตัดป่าที่สุกโตแล้วเอาไม้ใหญ่ออกไปหรือแต่ไม้ที่ใช้ไม่ได้แล้วทางรถลากไม้นมันก็เป็นทางทีนี้ พอไม่ได้ใช้งานก็มีหญ้าขึ้นแต่คนก็ไม่นิยมเดินกันพอชุมชนของวัดป่าโซโนมีแนวคิดใหม่ขึ้นมาคือจะปลูกป่าก็จัดสรรมันเป็นทางเดินให้มันเรียกว่าเป็นร่องเป็นรอยไม่ต้องเหยียบย่าร่องรอยที่มันไม่ควรเหยียบอย่างเงี้ะเส้นทางที่ไม่ควรเดินให้เป็นกิจจาลักษณะก็ะอยู่ป่าก็อยู่เป็นเนี แล้วเราก็ฟังเสียงจากหลายๆคนเช่นหลวงพ่อเกียนท่านเป็นคนที่อยู่เาเก่าเวลาท่านพูดอะไรเราก็มาเรียกว่าพิจารณาดูเวลาเรามีสติมจะพิจารณาได้เหตุผลถูกผิดมันนะพิจารณาได้แล้วเราก็จะคล้ายๆกับว่าพอเราแยกแยกได้ก็จะได้ข้อสรุปร่วมกันเป็นวิถีของชุมชนนั่นแหละเป็นวิถีที่จะอยู่หลายคนแล้วก็อยู่อย่างไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไวห้หลังองความรู้สึกตัวที่มันมีอยู่มองจะทําให้เกิดความเรียบร้อยดีงามสทิปสุขสันิภาพขึ้นมาจริงอันนี้เป็นผลนะที่ไปว่าทําแล้วนะมองจะเกิดขึ้นมาทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างปกตินี่แหละจะไปไหนมาไหนนะมันจะเป็นเรื่องที่เป็นความดีความงามหรือความไม่ดีไม่งามจะถูกเปลี่ยนมาทันทีนะทนั้นความรู้สึกตัวไม่ใช่แค่ความรู้สึกตัวธรรมดาธรรมดา แต่ใหม่ๆก็ต้องรักษาเอาไว้โดยการสํารวมหรือว่าดัานในมันมีความชิดขึ้นมาแล้วก็ตัดกลับมาเปลี่ยนกรรมเป็นธรรมอย่างเงี้ยตลอดเวลาเวลาเลยเป็นแต่ความรู้สึกตัวจะวทั้งเหมือนกับว่าความตัวผลิตในมากๆโดยการใช้รูปแบบของการวิบัติการฝึกสติเมื่อเราฝึกสติแล้วก็ฝึกถูกก็ต้องเห็นสภาพธรรมต่างๆ อันนี้เรารักษาอะไรที่เป็นความดีเป็นกุศลอะไรที่ไม่ใช่กุศลแล้วก็ปรับเปลี่ยนนี่นะก็เป็นทิศทางจริงๆเป็นทิศทางที่เราก็เห็นจากการปฏิบัติที่มันเกิดขึ้นจริงๆเราเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงเห็นการเคลื่อนการไหวอาการต่างๆของกายของใจปางทีมันนั่งมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยก็เป็นอาการบางทีมันเกิดความง่วงกนมาก็เป็นอาการ บางทีมีความคิดการปรงการแต่งเกิดขึ้นมามนก็เป็นอาการบางทีมันก็หมักบางทีก็เบื่อบางทีก็มีความรู้สึกโป่งโล่งสงบบางทีก็อิ่มอกอิ่ ม, ม, มใจขึ้นมามีความสุขขึ้นมาี้ยมันก็เป็นเพียงแค่อาการเี้ยหรือว่าบางทีก็หนาบางทีก็ร้อนบางทีมีปฏิกยาต่างๆมากมายเหลือเกินสัจสาลาสิ่งมันก็เป็นกิริยาอาการภายในภายนอกสภาวะของ สติจความรู้สึกตัวมันทําให้เราได้เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แหละเมื่อก่อนมันเป็นลักษณะที่ว่าเราไม่เข้าใจมันแยกแยกไม่ได้แต่ตอนหลังมันเป็นลักษณะของอาการที่มีสภาวะของอาการของกายเป็นสภาวะที่เป็นธรรมชาติเมื่อก่อนมันเป็นความทุกข์อย่างเงี้ยมันเป็นกรรมจะนั่งก็เป็นกรรมจะเดินก็เป็นกรรม จะนอนก็จะเป็นกรรมจะไปคิดจะพูดจะคุยจะทําอะไรเป็นกรรมตลอดเลยเป็นดีเป็นไม่ดีเป็นชอบเป็นไม่ชอบเป็นบุญเป็นบาปแต่พอเกี่ยวข้องด้วยความรู้สึกตัวมเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมะอยู่ตรงนั้นแหละเป็นความธรรมดาๆของชีวิตเหมือนกันทุกคนเลยมันไม่มีใครหรอกมันก็เลยไม่เกี่ยวกับชาติศาสนาไม่เกี่ยวกับเพศไหนหรือว่าวุติภาวะแบบใด จะอายุเต่ออะไรเพียงแค่มีความสึกตัวความสึกตัวเนะี่ยมันก็จะเหมือนกันทันทีจะปวดก็จะไม่บวดก็เหมือนกันตรงความสึกตัวเนี่แหละแต่ถ้าเป็นกรรมจะมีความแตกต่างถ้ามีสมมุติมีความคิดมันก็จะมีความแตกต่างทันทีตรงนั้นนะตรงนั้นก็ทําให้โลกนี้มีกรรจําแนกสัตว์ขึ้นมารักดีไปหาดียรักดีหามชั่วรักชั่วช่วหหามเสาโบราณเปไว้อย่างนั้นนะ มันก็จึงต้องฟังเสียงกันผนะู้มีประสบการณ์อย่างหลวงพ่อมำเก่นท่านก็พูดอะไรท่านก็เรียกว่าดูปัจจุบันขณะนี่แหละท่าไม่ได้ดูอดีตนาก็เลยรหรอกอย่างเช่นกวาดมากๆท่านก็บอกชัดเลยว่าลูกหวมนหนีหมดถนนมีลูกรังไงหนาฝนน้ำมันกัดเจาะลงมามันก็เยาวขี้เลนขี้ตมที่เป็นกาวยึดประสานตัวลูกรังหินเล็กๆนะลูกรังอยู่ด้วยกัน ก็ น, นี้พอฝนมันชะเอาโครนออกไปกาวมันก็ออกไปนะตัวลูกรลางหินเล็กๆก็ลอยขึ้นมาพอเราขวาดปับมันก็จะไหลไปอยู่ข้างๆกลิ้งไปตามแรงของไม้ขวาดนั่นนะมันจะเหลือแต่ดินอย่างเงี้ยพอฝนใหม่ตกลงมาน้ําก็จะกัดซ่อนมันก็ลึกลงไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเวลาขวาดบางทีก็จะอาจเป็นอคุศลได้เหมือนกันการทํางานทําการก็ต้องมีปัญญานะ แล้วฟังเสียงของคนที่มีประสบการณ์มาก่อนนะท่านก็จะบอกคิดบอกทางเราตรงๆให้เราได้เดินตามนะไม่ต้องคิดอะไรมากลองทาดูมันจะเกิดอะไรขึ้นมาอย่างนี้อีกอันก็คือท่านก็จะเรียกว่าสนใจเรื่องธรรมชาติเวลาเจ้าๆท่านบอกว่าท่านจะขับรถไปดูรังพึ่งรังพึ่งที่อยู่ด้านในคือพึ่งในหน้า น, นี้มันจะมาเกาะอยู่ในวัดเยอะมาก ข้างนอกมันจะไม่ค่อยมีต้นไม้แล้วก็มียากรมาแมลงสารพิษเยอะนะวัดป่าส่วนตัวจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พึ่งนะแต่จะมีคนนะที่ปีน ล, ล้วเข้ามาแ ล, ล้วก็แอบเข้ามาตีลังพึ่งนะตัวเรียกว่าตัวอ่อนมันก็ไม่ได้ผูนไม่ได้เกิดไม่ได้ขยายพันธุ์นะท่านก็เป็นนักอนุรักษ์นะก้อหินเม็ดดินเม็ดทรายสายลมแสงแดดทนะ่านรักธรรมชาติรักต้นไม้ใบหญ้าต่างๆทั้งผู้คนสัตวาลาสิ่งต่างๆท่านก็คอยไปเป็นเพื่อน อย่างเงี้ยนะต้นไม้ใหญ่นะท่านก็คอยดูแลเทาวันที่ขึ้นมาเลื้อยแล้วพอฝนตกมันจะทำให้น้ำมันอุ้มที่เทาวันแล้วก็ต้นไม้ใหญ่มันก็รับไม่ไหวมันก็หักล้มลงมาจนทั้งหลวงพ่อมเขียนน่เคยทำนายตัวเองว่าอยู่วัดป่าสุกโทนี่ชีวิตของท่านเนี่ยจะตายอยู่ที่นี่ก็คือหนึ่งต้นไม้ล้มทับสองก็คืองู ก, กัดตายสามคือคนที่ก็ไม่ชอบไปรอพูด สอนเรื่องการเลิกกินเหล้าสุปรีการมาลักหาปลาในวัดนะคไม่ชอบนรืตัดสมุนไพรทำลายสัตว์คนนก็ไม่ชอบก็จะยิงปืนข้างหัวหรือบางทีก็จะเอามีดฟันแลว้วก็ทำายคุณจะตายโดยบุคคลพวกนี้แหละแล้วก็เลือกไม่ได้ที่จะตายด้วยวิธีการอะไรเล่นกันก็คือตอนหลังท่งานก็บอกว่าจะตายเพราะป่วยเป็นมะเร็ง เนื่องจากคนเรานะเดี๋ยวนี้มันรับสารพิษกันเยอะมากอาหารนี่มันเป็นอาหารที่ปรุงแต่งเยอะเพราะนั้นมะเร็งก็มากาอาหารเนี่ยท่านก็ทํำนายว่าจะตายเพราะมะเร็งในอีกโลกหนึง่งเราก็จึงต้องเรียกว่าระมัดระวังการการอยู่การใช้ชีวิตตรงไหนก็ตามคราวนี้มันก็จะมีการเรียกว่าพิจารณาสติปัญญาก็จะพาไปแบบนั้นจากหนักก็เป็นเบาจากเบาก็ไม่มีความหมายอะไร ก็เหมือนกับเรื่องไม่คิดห่วเดียวถ้าเราขาดสติไม่ขิดหัเดียวไฟเล็กๆนมันจะไม่ลามก็นั่นหมายถึงเมื่อเราหลงไม่รู้สึกตัวก็จะเข้าไปในความคิดมวามคิดเราก็จะมีอารมณ์ตัวจากการปรุงแต่งต่างๆมากมายคิดแล้วกรธคิดแล้วโลกคิดแล้หลงคิดแล้รักคิดล้ชังคิดแลก็ไปอดีคิดแลก็ไปอนาคตเป็นสุขเป็นทุกข์ต่างๆเรื่องผ่านมาแล้วเก็บมากรอกคิดอย่างเงี้ย เนื่องจากเราไม่รู้สึกตัวเราหลงถ้าเราไม่หลงเรารู้สึกตัวอย่งก็นั่นแหละดับไฟไม่คิดหัวเดียวทันทีรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวตัวนี้เราจึงเป็นเรื่องของเรื่องที่เราจะต้องทํากันให้เกิดความเคยชินคุ้นจินเลยนิสัยที่จะกลับมาหาการเคลื่อนการไหวของกายแต่ละขณะอาจจะในรูปแบบก็ได้หรือว่านอกรูปแบบก็ตามใจถ้าเราทําเป็นนั่นก็เป็นความสะดวกทั้งหมดนั่นแหละ แต่ภายในรูปแบบก็จะขูดเกาเราดีการเดินยังกลมจะขูดเกาเราดีมากเวลาเดิมจะคิดเก่งมากเวลานั่งสร้างจังหวะเนี่ยจะขูดเกาเราดีมากเลยเพราะความง่วงนั่งยกมือนยมันจะง่วงง่าย5นาที10นาทีจะง่วงบ่อยๆเลยให้เราได้รู้จักมีความชํานาญในการออกมาจากความง่วงเนบางทีมันจะติดเพ่งเวลาเรายกมือจะสิงไว้มันจะรู้สึกว่ามันเก๊กมันเกร็งมันเพ่งมันหนัก มืนถูกบังคับแล้วก็เหนื่อยใจอย่างเงี้ยเราก็ได้เห็นอ๋อมันมีอารมณ์ออกมาให้เราได้เรียนแล้วก็ใช้ให้เกิดลักษณะของพัฒ น, นาการทางด้านภาวนาทางด้านการเกิดปัญญาเนี่ยหรือว่าสติที่มันมีความรู้รู้ได้ว่องไวรวดเร็วเป็นไหวพิปิพานภายในเนี่ยมาจะเกิดจากการที่เราสนใจใส่ใ จ, ใจในะับตัวเรามาจึงเป็นเรื่องของใครของเรา ที่มาอยู่วัดป่าสุตโตต้องเข้าถึงตัววิปัสสนากรรมฐานมันจะเป็นเรื่องของการเดินทางภายในจิตในใจของเราเราก็ได้เห็นความจริงว่าร่างกายของเรานำเป็นรูปธรรมแล้วก็จลยาการต่างๆภายนอกที่กระทบสัมผัสมือเป็นลนักษณะของวัตถุรูปธรรมลูกก็เป็นรูปธรรมเสียงก็เป็นรูปธรรมกลิ่นก็เป็นรูปธรรมการสัมผัสต่างๆก็เป็นรูปธรรมวิธี ก, การไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูลมหายใจ การ ane, ดูการเคลือ่อนการไหวอันนี้ก็เป็นรูปธรรมเหมือนกันการดูท้องผองยกก็เป็นรูปธรรมเห็นกายเป็นรูปธรรมเห็นความรู้สึกตัวเป็นนามธรรมหรือว่าความคิดที่มันเกิดขึ้นมาเป็นนามธรรมจนเป็นนามรูปเวลาคิดปั๊บก็เป็นความรู้สึกตัวเหมือนกันความคิดจับจับกเป็นความรู้สึกจับจับเมื่อเราเคลื่อนไหวรู้สึกจับจับมันจะไปทันความคิดจับจั ที่เป็นความรู้สึกหยาบในจิตเมื่อเราเริ่มความรู้สึกสัมผัสกับความละเอียดในการเคลื่อนการไหวจิตของเราที่มันคิดละเอียดละเอียดเราก็จะได้รู้สึกเรียกว่าสมน้ําสมเนื้อสมศักดิสิทธิ์สติติมเจริญเติบโตว่องไวก็จะได้รู้ลักษณะของธรรมะสมควรแก่การเป็นบัติแต่ละคณะอันนี้แหละก็จะเป็นประสบการณ์ที่เราจะลืมไม่ลง ในการที่เรามาศึกษาปฏิบัติธรรมกันมันรู้แล้วมันลืมไม่ลงเป็นสัญญาใหม่อย่างอื่นลืมได้นะแต่ว่าไอ้สิ่งที่ลืมไม่ได้คือความเป็นปกติตรงนี้มันลืมไม่ลงมันเป็นชีวิตใหม่นชีวิตที่เคยถูกท ร, รมมาเป็นกรรมที่ติดตัวมาบางทีเราก็มีผมด้อยมามันไม่ได้ใช้ชีวิตแล้วก็สมใจมาแล้วะที่ว่าบางทีมันก็ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเนี ดิงก็พัดผ่าจากของรักของชอบใจมันมีความทุกข์พอเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปสิ่งนั้นมันก็เจือจางไปคลายไปหายไปลุงทีมันยังอยู่แต่ว่ากลายเป็นการทบทวนที่ทําให้เกิดความฉลาดขึ้นมาเราก็รู้แล้วสิ่งเหล่านั้นก็คือการปูนแต่งที่เกิดจากความคิดแล้วการยึดเข้าไปในอดีตล้วนหลงเข้าไปในอนาคตอย่างเงี้ยเราก็ใจโลกอยู่กับชีวิตของปัจจุบันขณะ ใช้โลกตามความเป็นจริงใช้กายตามความเป็นจริงใช้วาจาก็พูดจริงเหมือนกันไม่พูดเสเพิ่เจอส่อเสียดคำหยาโกหกมันเนี่ยนะเป็นคําพูดที่เกิดจากความจริงพุลมีสัจจะอย่างนะี้นะวาจาสุภาษิตต่างๆมีสัจจะนะหรือว่าจิตของเราก็เป็นลักษณะของการคิดที่ใช้เป็นมนโนธรรมถึงเป็นมโนกรรมก็เป็นกรรมดีใช้แล้วก็ไม่ติดดีอย่างเงี้ยมันจะเกิดความฉลาดขึ้นมา เรียกว่าการทําหน้าที่นั่นแหละเราก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปเราก็ใช้หน้าที่ให้เหมาะสมแล้วก็ถูกต้องนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสติปัญญาพาเราเดินสู่ทิศทางสู่ความพ้นทุกขนะ์อันนี้แหละมันจะเป็นอิสระนะเป็นชีวิตใหม่จริงๆไอ้ที่แล้วก็เกิดการแล้วการไปการให้อภัยกันก็เกิดขึ้นมาโหสิกรรมก็เกิดขึ้นมาไม่ถือสาหาความมันน่าจะเป็นคุณธรรมต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นมาเองแล้วนะ จริงๆมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแหละแต่ว่าบังเอิญว่าเราไม่เคยเข้ามาวิปัสสนานะกลับมาแล้วก็เห็นสภาวะต่างๆสภาพทรรมต่างๆกลุ่มก้อนต่างๆที่มันมีอยู่เมื่อก่อนเป็นกลุ่มก้อนที่รวมตัวกันแล้วเราก็ยึดว่ามันเป็นเราแต่ตอนหลังเราเห็นว่ามันกระจายกระจายกันอยู่เป็นหมวดเป็นหมู่แต่ว่าสติปัญญาบันยิดมาใช้นมันใช้แล้วมันก็วางเป็นยมันมีก็มันอยู่ ก็จะเป็นเรื่องที่เราควรศึกษากันละมันเป็นเรื่องที่ชีวมนุษย์เกิดมาแล้วนะมันก็ต้องศึกษาเราต้องการความสุขที่มันดีที่สุดแล้วก็สูงที่สุดเท่าที่มันมีในโลกใบนี้แล้วเราศึกษาแล้วว่าความสุขที่เกิดจากวัตถุกรรมะคุณแล้วเราก็เคยได้สัมผัสกันมาว่าความสุขที่เกิดจากวัตถุกรรมะคุณมันเป็นเพียงแค่ความสุขแบบโลกโลกมีสุขก็ต้องมีทุกข์นะมีรักก็ต้องมีเกลียดนีน่ แต่ยันก็คือมันเป็นเรื่องของความเป็นปกติโอ้มันมีจากความรู้สึกตัวนี่เองเดิมมันก็เป็นเรื่องของธรรมาชาติที่มันมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนเราไม่เคยกลับมาดูมันเพราะะฉนั้นปฏิบัติธรรมคือการกลับมาดูแล้วก็เห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงความรู้สึกตัวคือธรรมชาติตัวหนึง่งและเป็นธรรมชาติที่มีความบริสุทธิ์มันไม่ได้มีความสุขความทุกข์อยู่ในความรู้สึกตัวตัวนี้นดังนั้นยันนี้เราก็เรียกว่า ได้สรุปทำมาหลวงพ่อเขียนนิดนึงเขาก็เล่าว่าทําไมต้องไม่กวาดใบไม้แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไรที่ตัวท่านเห็นว่าเราเป็นลูกศิษย์ลูกหากนะ็ควรเถือนนิสัยท่านก็บอกนิสัยของท่านมาเราก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็น้อมเข้ามาแล้วโดยเฉพาะเรื่องของความรักตัวการปฏิบัติอันนี้ก็ยิ่งน้อมเข้ามาเป็นหลักเลยหลวงพ่อเขียนท่านท่านอยากรู้เรื่องบุญเรื่องบาปแล้วท่านก็รู้จริงๆ ทันใจความรู้สึกตัวจนกทั้งมันเป็นความรู้สึกตัวที่ทั่วพร้อมและเรียบร้อยแล้วเคยมีฝรั่งคนหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตนะวันนั้นอันว่าไปกัหลวมเขียนแล้วก็ไปกับพระอาจารย์นะแต่แล้วพอไปมีฝรั่งคนหนึ่งเขาฝึกแบบแนวหลวงพ่อมัียนแล้วก็ตั้งเป็นเจตตั้งตัวเป็นเจ้าสํานักนะเจ้าลอที่อยู่ที่ภูเก็ตด้วยทีนี้พอเจอหน้าหลวงพ่อมังคียนปับนะ๊บเนี่ยฝรั่งคนนั้น อ่านหนังสือเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทียนทางหนังสือแต่หลวงพ่อมเขียนเนีเป็นลูกศิษย์ทางด้านการปฏิบัติแบบตัวต่อตัวเลยฝรั่งคนนั้นถามแบบอาหอานว่าหลวงพ่อมเขียนเนี่ยปฏิบัติแบบนาหลวงปู่เทียนนะเป็นอย่างหลวงปู่เทียนหรือยังหลวงปู่เทียนก็บอกว่าเออหลวงพ่อเขียนท่านบอกว่าหลวงปู่เทียนสอนให้รู้สึกตัวตอนนี้หลวงพ่อก็รู้สึกตัวอยู่นะหลวงพ่อมเขียน ใหลูกศิษย์หลวงพ่เทียนหลงพ่อเทียนสอนให้รู้เรื่องรูปนามหลวงพ่อก็รู้รูปนามนะหลวงพ่อเทียนสอนให้มีสติหลวงพ่อเขียนก็มีสติอยู่นะคําตอบหลวงพ่อเนี่ยเป็นคําตอบง่ายๆเลยแล้วก็ฝรั่งคนนั้นก็ตามมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุขตนะัวเนี่ยแล้วพอปฏิบัติธรรมเจริญสติจริงๆลงไปนให้ปฏิบัติทั้งวันเลยนะ ปรากฝรั่งคนนั้นบอกว่าผมไม่รู้อะไรเลยที่ผ่านมาผมว่าใจครับผมรู้นะแต่พอเข้าถึงปฏิบัติจริงๆอยู่กับครูบาอาจารย์จริงๆก็อาจารย์ให้ทําพอทําตามปรากฏว่ามันทําไม่ได้เช่นนั่งแล้วปวดเมื่อยปกติครับนั่งปฏิบัติแคจะนั่งบนเก้าอี้นพอเจอความปวดความเมื่อยก็ตอบโจทย์ตัวเองไม่ได้มันคืออะไรพอนั่งปฏิบัติมีความคิดเกิดขึ้นมามากๆในรูปแบบอยู่ไม่ได้ทั้งวันก็มีความรู้สึกว่าเอ๊สิ่งนี้มันคือความคิดของผู้แทนพูดถึงเนี้ย ทำไมเขายังไม่เข้าใจยังไม่ได้เห็นความคิดและความคิดยังพาให้ทุกข์อยู่เนี่ยนี้พอเข้าถึงตัวปฏิบัติจริงๆมีความต่อเนื่องจริงๆอยู่กับครูบาอาจารย์จริงๆครูบาอาจารย์พาธรำจริงๆปรากฏมาเออมันกระบอกถึงพัฒนาการที่ผ่านมาของเร า, เร า, เราทั้งหมดตัวนี้แหละเราก็จึงต้องเหมือนกับว่าใช้สปายะให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเรื่องของครูบาอาจารย์ตอนนี้เราก็ได้ใกล้จิดกระทันแล้ว เราก็เรียกว่าปฏิบัติลงไปเลยแล้วก็อารมณ์ปฏิบัติเกิดอะไรขึ้นมาเราสามารถตีวจสอบถามท่านได้ตลอดเวลาเวลาเลยเราก็ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างนี้นะดังนั้นผมวลาทํามาก็ได้ใช้เวลาพูดมาเห็นว่าสมบูรณ์เก่เวลาก็มีความพัฒนาดีรวมกันก็ขอใช้บรรยากาศนี้ร่วมปฏิบัติธรรมกับพวกเราทุกคนทุกท่านจนกระทั่งหัวข้อว่าเราเห็นว่านะสิ่งที่ปฏบัติมันเกิดประโยชน์ขึ้นมาจริงๆก็ให้ช่วยกัน เป็นกัญมิตรรักพูดกันในทิศทางที่ไปสู่ความพ้นทุกข์โดยการแสดงออกทำให้ดูอยู่ให้เห็ น, นย็นให้สัมผันเมื่อที่หลวงพ่อท่านทำแสดงออกก็ขอให้ธรรมะสมควรแก่การไ่บัดก็จงได้ปรากฏกับพวกเราโดยทุกท่านทุกคนเตือน